ตั้งใจอา <c oughs> <c oughs> วนาเ่าตอ้องคีดหอดอย่างนั้นแหละใครก็ไม่คิดถึงเท่านั้นแหละคิดถึงแต่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพุทโธเขาให้มีอยู่กับพุโทโธ ให้จิตได้รับความสงบได้ความสุขได้ที่อยู่เป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่เป็นวิหารธรรมได้ความสงบได้ความสุขสิ่งที่จะเป็ตามมาปัญญา จับกิริยาการของจิตได้เริ่มได้ปัญญาแล้วจับกิริยาการของจิตได้ทาให้เรารู้ตามคิดตามพิจารณาตามเห็นลูกเล็กลกเล็กๆกเล็กลความดื้อของมันสมัยนึ่ตันหาแทรกเข้ามามีปัญญาแล้วรู้แล้เห็นแล้ทันแล้เห็นตันหาแทรกเข้ามานั่นรู้แล้วเห็นแล้ทันแล้เกิดปัญญา ถ้าเราใช้จิตย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นเป็นวิปัสนาเป็นปัญญาให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องคํานึงถึงอะไรแหละพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเกิดความสงบเกิดสมถะเกิดความสงบมีประโยชน์กับจิตทั้งสองอย่างอันหนึ่งความสงบช่วยหนุนปัญญา ปัญญาเมื่อถูกความสงบช่วยหนุนปัญญาก็มีแรงถ้าเป็นมีดจะเริ่มคมฟันอะไรก็ง่ายแต่ถ้ามีดทุ่ๆฟันอะไรก็ไม่ขาดความสุมขก็ตามมา <c oughs> น, นีรสสวนสวนให้ จำนานมันก็แยกนิดๆ น, ดนดะวันิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นิโรธนิโรโทความดับทุกข์ทุกสงฆ์ไทยนิโรธมัทธ์ธรรมะเวลาจะดับก็ามาดับ นีส่สรุปให้น้อยเหลือแค่หนึ่งดับที่ใจกิริยาการของใจทั้งหมดที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่หกสิบข้อเรามาเทียบกับธรรมะหกสิบหมวดหกสิบหมวดธรรมะสิบหมวดสิบหกหกสิบหมวดละสิบหมวดหมวดละหก 10หมวดหมวดละหอยายตนะไยในหกอย า, ายตนะาฟนอกหวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหสัญญาหสัญเกเทนาหปัญหาหวิตกหวิจารหรวมไปแล้วหกสิบเป็นห0สิกิริยาการ60สรุ ขโมยมาเหลือหนึ่งสุปมาที่ใจดับที่ใจอาศัยใจดวงเดียวเนี่ย ม, มันแสดงออกมาทางตาไปเห็นรูปอาศัยใจดวงเดียวมันแสดงออกมาทางกิริยาหูไปได้ยินเสียงจมูกไปดมกลิ่นลิ้นไปลิ้มรสกายไปสัมผัส เขาบอกกายในที่นี้หมายถึงกายยประสาทนะให้เข้าใจด้วยตาหูจหมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นมันเป็นเรื่องของกายอยู่แล้วแต่ทำามยังเจ้า ม, ม, มีกายกายเท่านี้หมายถึงกายยประสาทร่างกายของเรามีกายยประสาทเขาเรียกประสาทสัมผัสที่กายเราจับไปตรงไหนจะเกิดความรู้สึกมดตัวเล็กๆมาไตามาตอมตรงไหน ไ ต, ต่ตอมส่วนไหนของร่างกายขอยงเรานี่ยนะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่ากายะประสาทกายะประสาทกายะประสาทธรรมารมธรรมารมก็คืออารมณ์ที่เกิดในใจอารมณ์ที่เกิดผ่านใจทั้งหมดมันเรียกว่าท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ ารมย์อย่าไปหาสับสนอย่าไปหางงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดท้าเรียกว่าธรรมารมณ์จะเป็นรูปจะเป็นเสียงจะเป็นอะไรก็ตามที่มันโล่งไปแล้วมันตกปลึกเป็นสัญญาสัญญาอารมณ์ตกปลึกเป็นสัญญาอารมณ์ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ ธรรมรมเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจก็คือจากใจตามจมูกลิ้นกายใจท่านพูดถึงอายตนะภายในหกตามจมูกลิ้กายใจท่านพูดถึงอายตนะภายนอกหรูปเสียงกิีดลดโวดตะปาธรรมารมณ์อายตนะแปลว่าเครื่องต่อเครื่องต่อแปลภาษาไทยไทยเราแปลว่าเครื่องต่อ ตาสลับต่อกับรูปรูปเป็นวิสัยของตาหูสลับต่อกับเสียงเสียงเป็นวิสัยของหูเอาเสียงเป็นวิสัยของตาก็เป็นไม่ได้เอารูปเป็นวิสัยของหูก็เป็นไม่ได้มันคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มั น, คคมนแต่ว่าใส้จิตดวงเดียวนะั่นแหละ ไปแสดงออกไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทั้งลิ้ททนทางกายรวมไปถึงทางใจคือใจคิดถึงสิ่งที่เป็นสัญญาลมที่ลงไปแล้วสัญญารมที่ลงไปแล้วสัญญาแปลว่าจําได้นอกจากจําได้แล้วคือมันหมายรู้ตัวมันเองมันหมายรู้ด้วยจําหรือไม่จําก็ตามแต่มันหมายรู้มันหมาย คำว่าหมายก็คือมันนึกนึกคาดคาดเดาเดาเท่าที่ว่าหมายหมายว่าเป็นอย่างนั้นหมายว่าเป็นอย่างนี้เดาเอาว่าเป็นอย่างนั้นเดาเอาว่าเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่มันตายตัวเหมือนอย่างรูปที่เราอยู่ข้างนอกพอรูปมันตกไปที่จิตเราเราลองหลับตาดูรูปที่จิตของเรามันอยู่คงที่มันอยู่เท่าเดิมไหมมันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปตามกิริยาอาการของจิตกลายเป็นรูปเป็น แทนที่จะเป็นรูปตายกลายเป็นรูปเปลีรูปที่มันตกผลึกไปอยู่ที่ใจนี่กลายเป็นรูปเปลีนไม่ใช่รูปตายแล้วเราดูรูปตายที่เราเห็นข้างนอกเราดูรูปตายคําว่ารูปตายก็คือรูปนิ่งนะแต่ถ้าเราดูไปในใจของเราเน่ยรูปเหล่านั้นไม่ใช่นิ่งแล้มันโดดโลดเต้นมันยักย้ายผันแปรไปตามกิริยาการของจิต นี่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรารู้เห็นอนิจจังทุกครั้งณตาความไม่คงทนของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสของธรรมารม์ทั้งนั้นตัณหามันจะเกิดมันเกิดที่ตามันก็ดับที่ตามันจะเกิดเรือเกิดที่รูปมันก็ดับที่รูปมันเกิดเรื่องเกิดที่หูมันก็ดับที่หูมันเกิดที่เสียงมันก็ดับที่เสียงเกิดที่จมูกก็ดับที่จมูก เกิเ ท, ที่กลิ่นมก็ดับที่กลิ่นเกิดที่ลิ้นมันก็ดับที่ลิ้นเกิดที่รถมันก็ดับที่รถเกิดที่กายมันก็ดับที่กายเกิดที่สัมผัสมันก็ดับที่สัมผัสเกิดที่ธรรมารมมันก็ดับที่ธรรมารมเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นปัญหามันเกิดยังไงเราดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นตัญหาเกิด ปัญหานี่แหละที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจ mm. กิริยาอาการที่เราไล่ทั้งหมดนี้คืออาการของใจ mm. มันมาจากใจดวงเดียวมาจากใจตัวเดียวมันแสดงความผูกพันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้ น, mm. เ, นเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ mm. เป็นผัสสะ mm. เป็นเวทนาน จากขู่สัมผัสศิชาวิทนานวิญญาณหกผัสสะหเวทนาหมันเกิดขึ้นอย่างละหกอย่างละหกอย่างะหมันไปจากอายุธนาภายในกับอายุธนาภายนอกของเราเครื่องต่อในภายในท้าเรียกว่าอายตนภายนเครื่องต่อในภายนอกถ้าเรียกว่าอายุธนาภายนอกถ้าเราจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช่องเป็นรู้เป็นประตูสำหรับ ใจดวงนี้มันออกไปข้างนอกตาเป็นประตูหนึ่งหูเป็นประตูหนึ่งสลับใจมันออกไปข้างนอกมันออกไปมันก็ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นวิสัยของมันออกไปทางตาก็ไปเห็นโรคเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นในขณะปัจจุบันทันด่วนถ้าเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดความรู้แจ้งทางตา เมื่อตาเราเห็นรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูมันก็หูแล้วได้ยินรู้แจ้งทางจมกูกรู้แจ้งทางลิ้นรู้แจ้งทางกายแลรู้แจ้งทางใจใจมันออกไปตามช่องอันนี้มันเป็นประตูที่มันออกไปบางทีเราก็เรียกว่าประตูประตูทว า, นทวา น, า TS, ททนทวานจากักขุทวาน โ, ทท et, โททสตะทวานจักขุทวานโสตะทวานเซีวหาทวาน สิวหาทวารกายทวานกายทวารมโนทวานมโนโทวา น, โ น, โ ท, วานทวานคือใจแท้ทีจริงทุกอย่างเกิดที่ใจทั้งหมดเกิดจากใจทั้งหมดใจคือผู้รู้รู้รู้รู้คือ้ารู้ กเลสก็เกิดที่ใจทำก็เกิดที่ใจง้อก็เกิดที่ใจฉลาดก็เกิดที่ใจรู้ก็เกิดจากใจไม่รู้ก็เกิดจากใจใจดวงเดียวมีอิทธิพลมากใจดวงเดียวของเรามีอิทธิพลมากอิทธิพลอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบเราท่านเหมือนกันหมดคือความทุกข์คือกองทุกข์ด้วยเหตุที่เราไม่ชอบความทุกข์กองทุกข์นี้เอง เป็นเหตุให้เราต้องมาแสวงหาทางดับดับความทุกข์ดับกองทุกข์เหมือนอย่างที่เรามาสวดมาไล่หนมาว่าเรามาศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือมาฝึกซ้อมเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ระงับดับทุกความทุกข์เหล่านี้ร ะ, ระงับดับอย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านมาแจกแจงให้พวกเราหมดพอเกิดขึ้นจากอนั้นต์เกิดขึ้นจากอนั้นต์เกิดขึ้นจากอนั้น เมื่อเราดับได้กลายเป็นนิโรเมื่อเราดับได้กลายเป็นนิโรเอเทซาตันห้าพิยมานาพยาติเอทะอนิโรเอทะนิรชมานานิรุจจติคำหาเมื่อเกิดก็เกิดก็เกิดที่ตา มันดับก็ดับที่ตาเมื่จะละกละตาหานั้นละที่ไหนละตรงที่มันเกิดนั่นแหะมันเกิดจากที่ไหนก็ดับที่นั่นละที่นั่นสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่ยินดีเ้าเรียกว่าปิยโรคปสาธรูปตาเป็นที่รักเป็นที่ยินดีโรคเป็นที่รักเป็นที่ยินดีอะไรรักอะไรยินดีใจรักใจยินดี เป็นที่รักเป็นเครื่องมือสรับรักใจมันรักอะไรภารักตันหาภารักอะไรภายชอบตันหาภาชอบตัญหาเกิดจากไหนเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจนั่นแหละเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรไม่รู้เราได้ใจได้ผู้รู้มามันติดมาด้วยเป็นธาดิก เป็นธาตุที่เคลือบแฝงมากับผู้รู้ของเราเรามีหน้าที่มาฉะมาล้างให้มันบริสุทตัณหาตัวเนี้ดูไปคืออะไรเป็นอะไรคือความอยากกิริยาความอยากของใจเรามีไหมกิริยาความอยากของใจนั่นแหละคือกิริยาของตัณหา อยากทำตามใจชอบทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอยากได้สิ่อยากได้ทำอยากได้มรรคอยากได้ผลตั้งใจประพฤติตามปฏิบัติตามนี่เป็นอยากที่ชอบด้วยธรรมอาศัยความอยากเหมือนกันแต่อยากอันหนึ่งเป็นเหตุมาผูกมัดเพื่อความทุกข์อยากอีกอันหนึ่ง เป็นเหตุมา ค, คลี่คลายมารือฟื้นสิ่งที่พันเกิดทุกข์คือทำวิธีทำทํำไมเราจะชนะมันเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาสารพัดถ้าเราปล่อยให้ปรุงมันกลายเป็นกิเลสกรรมวิบัติกิเลสกรรมวิบัติกิเลสผานนึกผ่าคิดผาปรุงการปรุงนั่นแหละเป็นกรรมชี้ตามมาเป็นผลของกรรมเป็นวิบัติ รับรงไปเท่าไรผลรายได้เป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าเราเชื่อตามที่พุทธเจ้าสอนเราอยู่ในท่าทีที่เราตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติพุทโธพุทโธพุทโธนี้เป็นธรรมเราพุทโธมากรรมกับที่จิตแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่เราดำริอยู่เรื่อยๆนั้นเป็นการทำกรรม เป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นของอะไรผลรายได้เป็นของธรรมงานอย่างหนึ่งผลรายได้เป็นเรื่องของวิเลสทำให้กิเลสอ้วนพีมีผลเพิ่มงานอีกอย่างหนึ่งผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทำให้ธรรมอ้วนทําพีทำให้ธรรมเจริญ ทำนำมาซึ่งความสุขความเจริญกิเลสนำมาซึ่งความทุกข์วความยากความลำบากเราจะลอันไหนเราจะทิ้งอันไหนเราจะเอาอันไหนใครมีธรรมมากๆถือว่าคนนั้นมีบุญ ม, มากใครอับจนธรรมคนนั้นมีบามากแสดงว่าในใจตรงนั้นมีกิเลสมากใครมีธรรมในใจมากคนนั้นจะมีบุญมากบุญคือความดี ความดีของใจใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจดวงนั้นมีบุญมากบุญแปลว่าความดีบุญไม่ใช่มรีรูปลักษณะเป็นก้อนเป็นแท่งเหมือนอย่างอะไรที่เราคิดเราคาดเราเดาไม่ใช่บุญคือลักษณะกุณงามความดีของใจเกิดขึ้นที่ใจ ใจฉลาดใจรอบรู้ใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจมีทานเผื่อแผ่ใจมีเมตตาใจมีกรุณาใจอ่อนน้อมอ่อนโยนใจไม่ถือเนื้อถือตัวกิริยาของใจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขกับเจ้าของเอง กับเจ้าของใจที่ใจสิ้นสถิตอยูย่กับคนอื่นที่ได้ยินได้ฟังนำมาซึ่งความสุขซึ่งความเจริญเป็นเรื่องของบุญบุญเราต้องทาําเอาอยู่เฉยๆบุญไม่เกิดนั่งเฉยๆนั่งห้ยใจฟอดๆไม่มีสติสัมชา ญ, ญักํากับควบคุมดูแลจะนึกจะคิดเรื่องพุทโธพุทโธซะหน่อยก็ไม่นึกไม่คิดไม่มีบุญนั่งปล่อยที่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์เลย หายใจเข้าไม่มีบุญหายใจออกไม่มีบุญนอกจากไม่มีบุญแล้วอาจจะปรุงบาปก็ได้หายใจเข้าปรุงเรื่องหยิบชาวิสยาห์ปรุรื่องพยาบาท ป, ปรุงเรื่องตัณหาราคะในหัวใจปรุงเรื่องบาปนั่งปล่อยชีวิตจิตใจร่องรอยใช้ใช้นั่งปรุงเรื่องบาสเราจะเอาบาปสนอเราจะเอาบุญอ่า ใครมีบุญมากคนนั้นมีความสุขมากมีความทุกน้อยใครมีบุญน้อยคนนั้นมีความทุกมากมีความสุขน้อยจะเอาอะไรอะเรื่องของบุญกัเรื่องของบาปธรรมะของพระย่ญญาแปดหมื 8, 9, 4, 000, 5, 3, ่นสี่พันพระธรรมขันธ์สุขโดยข้อใหญ่ใจกว้า ม, มทําบุญให้เกิดพร้อม ย้ำกุศลให้เกิดพร้อมละบาปทําบุญละบาปทําบุญทําใจให้บริสุทธิ์เขาว่าบริสุทธิ์คือปากชะล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมากับใจให้หมดเกลี้ยงกล่าวผีจากหม่นใจทุกคนเกิดมามีหน้าที่มาฉะล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมากับใจให้หมตั้หามันปนเปื้อนมา ลุยยาท่านรู้วิธีท่านชักล้างภายในพระไทยของโปรโมดแล้วเอาวิธีการอันนี้มาสอนพวกเราเห็นไหมครั้งแรกพระอัญญาโกฏัญญาส่งกระแสจิตไปทำตามกระแสธรรมที่หลวงสอนจิตของพระอัญญาโกฏัญญาได้เข้าถึงกระแสธรรมคาว่าเข้าถึงกระแสธรรมก็คือเห็นกิริยาการของกระแสธรรม โอ้กระแสธรรมมีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปไม่เคยมีอะไรคงที่ไม่เคยมีอะไรนิ่งอยู่กับที่ใครไปกะเกณฑ์ไปบงังคับมันใช้เป็นปไปตามใจหวังก็ไม่ได้อันนี้เป็นกระแสของธรรมกระแสทั้งหมดนั้นเป็นกระแสของธรรมไม่อยู่ในการกะการเกณฑ์การคาดการเดาของใครหากเป็ น, ปนไปตามกระแสของมันเอง เมือกระแสของลมเนี่ยเกิดมาตามธรรมชาติของมันเมือนความร้อนของพระอาทิตย์พระจันทร์เกิดขึ้นตามภาวะของมันเองไม่มีใครไปทํามันความทุกข์ในหัวใจของเราเกิดขึ้นตามเหตุเหตุทุกข์ความทุกข์เท่าไหายก็เกิดขึ้นความทุกข์เท่าไหายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตามเหตุเหตุที่เป็นสมุ ท, ทยัยคืออะไรก็เรื่องกามไม่ละ กามตัญหาภาวะตัญหาพิพพัฒน์ตัญหานะตัญหาคือความพยายมอยากในใจของเราอยากเรื่องการมเขาเรียกกรรมตัญหาอยากเรื่องได้เรื่องมีเ้าเรียกว่าภาวะตัญหาปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบใจเลยเช่นอย่างเราต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่ปฏิเสธสิ่งที่มันจะเป็น เราต้องเจ็บแต่เราไม่อยากเจ็บปฏิเสธสิ่งที่มันจะเป็นและมีใครพ้นไปได้พ้นไปจากความแ ก, มไไา ก, ามก่มีใครพ้นไปได้พ้นจากความทุกข์มีใครพ้นไปได้มีความตายมีใครปฏิเสธความตายได้บ้างไม่มีอันนี้คือกระแสของธรรมจิตดวงนั้นยอมรับกระแสเหล่านี้เต็มเปี่ยมเต็มร้อย เพราะเห็นด้วยเห็นด้วยผลด้วยปัจจัยแจ่มแจ้งชัดเจนปัจจัยตื่นยอมรับเต็มร้อยคิดเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมที่แท้จริงคือสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นี่คือภาวะของธรรมชาติท่านจึงให้เราศรรึกษาเพื่อยอมรับภาวะอันนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ภาวะอันนี้มันจะต้องมีอยู่อย่างนี้ใครมาดัดแปลงให้เป็นอื่นไปไม่ได้ ไปใครัวให้ดีอันนี้คือภาวะของการคข้าถึงกระแสธรรมแต่ต้องเห็นด้วยสมาธิต้องเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยปัญญายานแจ่มแจ้งชัดเจนเหตุผลจำเพาะหน้าโราไม่มีใครมาลบล้างได้กับทิฏฐิกับความเห็นของเราไม่มีใครมาลบล้างได้ใครมาลบล้างเท่าไหร่ ความเชื่อนี่เราไปเชื่อเต็มร้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นความเห็นเหล่านี้ท่านจึงเรียก ว, ว่ายาลักศรัทธายาลักศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนเคลนเห็นด้วยตาของเราจะแท้ยอมรับเต็มร้อยใครจะว่าอะไรกันแล้วแต่อันนี้เรายอมรับเต็มร้อยเพราะเราเห็นผ่านการเห็นของเราทำไมเราจะเห็นเรารู้อยู่คนแก่ รู้อยู่ว่ า, าจะต้องเก็บรู้อยู่ว่าคนเจ็บรู้อยู่ว่าเราก็จะต้องเจ็บแล้วก็รู้อยู่ว่าคนตายรู้อยู่ว่าเราก็จะต้องตายแต่มันไม่ได้เห็นด้วยข้อปฏิบัติการที่จะเข็ดลากเบื่อนหน่ายคลายจางตอตลักร่างกายนี้เพื่อที่จะได้ผ่อนคลายละวางตันหาอุปาทานหัวงใจมันละไม่ได้มันวางไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ถึงใจ มันยังไม่ได้เอาเหตุผลมาให้กิเลมันจำนอนจำใจนี่เป็นงนี้เป็นงนี้เป็นงนี้เป็นอย่นี้เราไม่ได้มา น, นั่งขัดสีในหัวใจให้เห็นเต็มที่ไม่เห็นมันโรยอยู่ในหัวใจมันก็เชื่อแบบเลื่อนลอยเชื่อแบบได้ยินได้ฟังเชื่อแบบปริญญาเชื่อแบบทฤษฎีไม่ใช่เชื่อแบบปฏิบัติไม่ใช่เชื่อแบบเข้าไปรู้เข้าไปเห็น คุยเจ้ส oh, e ่งปรัสว like ่าอย่างนี้อ sí, ย่างนี enter, ้โอ้ข้าเราเข้าไปเห็นแล้วอืโอเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองข้าพระโอค้าไปเห็นแล้วที่แรกก็มาฟังตาหมอต้องเข้าไปรู้งี้เข้าไปรู้งี้เข้าไปรู้องนี้เออรู้ว่าพระองค์บอกอ่ไเข้าไปรู้งี้เรายังไม่ได้เข้าไปเรายังไม่ได้เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นด้วยปัญญาปัญญาญาณยังไม่ได้เห็น เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําให้มากเจริญให้มากให้เบื่อเบือหน่ายคลายจางจากสิ่งเหล่านี้มีที่ไหนมีที่ใจของเราเขียนราบที่ไหนเข็ดรลาบที่ใจของเราธรรมะอยู่ที่ใจของเรากิเลสอยู่ที่ใจของเราเพิกกิเลสออกได้ธรรมะก็โผล่ขึ้นมาตรงนั้นอีกว่ามืดความสว่างก็อยู่ที่ใจของเราเพิกสิ่งเหล่านั้นออกได้เพิกโมหะ เพิ่อวิชาได้เพิกโมหะได้วิชาก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองอโมหะก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองคือไม่หลงเกิดขึ้นตรงนั้นเองเป็นผูท้ที่รู้เนื้อรู้ตัวตื่นเนื้อตื่นตัวรู้เนื้อตื่นจากภาวะเหมือนกับเราตื่นจากหลับตื่นจากภาวะของความหลง เหมือนจากตื่นภาวะของความหลับแต่ไม่ใช่เหมือนหลับเหมือนตื่นจากภาวะของความหลงคือรู้สึกเมื่อรู้สึกตัวเป็นเหตุให้พวเราทั้งหกวทั้งใจเดินเข้าไปเดินจงกรมเน่ก็เนเข้าไปเนสัตชิกเนสัตชิกไม่ไม่นอนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่ง ยืนหลับก็ช่างมัน่นยืนก่อดต้นไม้หลับก็ช่างมัน่นชื่นกอดต้นไม้หลับ <c oughs> อยืนก่อดต้นไม้หลับก็ช่างมัน่นขอแต่เป็นว่าไม่นอนไม่นอนเนเนแต่ไม่ใช่เ네นยาวเนยาวไม่ใช่นะอย่าไปหาเ네นยาวเลยเนยาว ในสัตชิกยาวๆเนี่ยไม่ใช่แล้วเน่ก็คือยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นทุกโดงข้อหนึ่งไปทำดูนะเมียนนีิสงน ะ, ะไปทำดูเนี่ยวันพลายเงี้ยใครเคยเน่เป็นไปทำวันพลาดเงี้ยไปนัดไปนัดกันดูจุดตุเกียงวโรอยู่ที่ทางลานลานทำานในครัวมีลานทำ แล้หลายคนอยู่ด้วยกันแล้วนี่มีอะไรมาดอกเสือสิงกระทิงแรกอะไรไม่มีไปด๊อกองูเหลือมงูเห่างูสายงูจงอางมันมันมายุ่งดอกมันนอนหลับกันหมดนล้วแหละแล้วลลเป็นเนกันอย่านั้นแหะนะเป็นเนกันระวังไปนอนมากๆนะไปเนยาวมากๆนะอ่างูเหลือมันก็เช่าขึ้นไปเป็นเพื่อนระวังองนี้นะ งูหเหลือมันชอบมีแต่มันจะเอาปากคาบเข้าไปอี่นั้นเองระว่าให้ดีนะงู <c oughs> หเหลือมมันเกิดมาตรงนี้มันก็ใหญ่ตรงนี้มันก็โตรตรงนี้ไม่ใช่มันไปไหนมันก็เพ่นพ่านทำอาหากินอยู่ตรงนี้มันก็มีหมู่เพื่อน <c oughs> เยอะจริงๆโอ้ยคานั้นก็น่าไปหาคนนี้ก็น่าไปหาเระว่าให้ดีนะอ่า ฟังออกไหมใครฟังไม่ออกบ้างอมีคนฟังไม่ออกก็มีฟังไม่ค่อยใจก็มีอ่าวันนี้เราก็ยุติแค่นี้ อออกก็พักอยู่ในในศลานี้เดินอยู่นี่แหละยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่ยาวไม่เนยาวนะเนยืนเดินนั่งโอ้ได้เปรียบว่าไม่ออกไม่ออกเขาเดินอยู่ต่างต่างกลางแจ้งมันพวกเราได้เปรียบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถกรากันนั่งคนละเสาละเสาละสาละเสาเนะ่ะนำโดยพระยาหาัไหนพระยาหัมมาบอกนะ ยังหามเอ่ยตุเอกเอ่ยตอเอ่ยเนี่ยมาพนั่งคละเสาลเสาลเสาละเสายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งน่เนพอไปถึงตีสถึงตีห้าชิตังเมชิตังเมชนะแลชนะแลชนะแลชิตังเมชิตังเข้าพเจ้าชนะแลข้าพเจ้าชนะแลเอานะชิตังเมาครับ Mmm. -hmm.